ช่วงที่หลวงพ่ออามารักษาตัวอยู่ที่สุกโตนะก็เป็นเวลาประมาณ60กว่าวันถ้ามีช่วงหนึ่งประมาณเดือนต้นเดือนกรกฎาอันท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้เป็นบันทึกทางธรรมะที่เขียนได้ยาวที่สุดนะเป็นกระดาษก็ไหลหน้า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 ท่านตั้งใจปฏิบัติมาแล้วก็เพ่งเพ่งจงกนกระทั่งนะมันมือนิติดที่หน้าอกสร้างจังหวะแล้วมือก็ติดจะเคลื่อนไม่ได้เลยหลวงพ่อก็แก้อารมณ์ไม่ใช่โดยการพูดคุยธรรมะหรือพูดให้ปล่อยวางแต่ชวนคุยเรื่องครอบครัวซักถามเรื่องครอบครัวลูกหลานของ หลวงพ่อองค์นั้นเพราะว่าท่านมาบวชตอนแก่พอหลวงพ่อท่านหลวงพ่อองค์นั้นท่านตอบไปหลวงพ่อคําเขียนท่านก็แยง้งก็ค้านพูดให้มันตรงข้ามหรือสวนทางความเป็นจริงภาพรูปนั้นก็เถียงพยายามชี้แจงเถียงไปเถียงมามือที่ติดหน้าอมก็ตกตกแล้วก็ยังไม่รู้นะจนเระท่าหลวงพ่อคําเขียนชี้ให้ดูเนี่ยมือตกแล้วนะ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 เกิดความสาคัญบานหมาทํานเป็นผู้ศักดิ์สิทธิแล้วนะวิปัสสนู๋หลวงพ่อก็ต้องนํามาแก้อารมณ์นะจนคลายบางคนก็เป็นคารวะนะเป็นคารวะเป็นคนที่มีเป็นคนเก่งนะทำอะไรก็สําเร็จเป็นครูทำอะไรก็สําเร็ จ, นะรรรจมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปฏิบัติธรรมก็หวังความสําเร็จมากก็ตั้งใจปฏิบัติ เสแล้วเกิดวิปัสสนูนะคิดว่าตัวเองนี่นะเป็นบรรลุธรรมแล้วมายืนเดินไปเดินมาอยู่บนสะพานลอยทั้งคืนเลยนะตำรวจก็เรียกให้ลงมาเพราะเขาจะาคงเป็นคนบ้าอโยมจย์คนนั้นก็บอกว่าเนี่ยอาทิตย์มันจะขึ้นจะตกนี่ห้ามไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้อง หลวงพ่อท่านก็ต้องไปเรียกลงมานะพากับวัสนามในแล้วก็ก็ยังไม่หายนะต้องพาต่อไปวัดป่าพุทธยานก็ยังไม่ยังไม่หายนะแล้วท่านก็แกล้ลมยังไงนะพาไปขุดซ่วมนะวัดป่าพุทธยานนี่ดินมันแข็งมากพาไปขุดซ่วมหลวงพ่อก็ขุดด้วยนะโยมยังก็ขุดด้วยถ้าขุดไปได้ซักเมตรหนึ่งนะก็บอกว่า นตรงนี้ไม่ดีมานเปลี่ยนที่ขุดดีกว่าก็ใช้วิธีนี่ละขุดไปขุดมาก็เงือก็โสมนั่นเหนื่อยพอเหนื่อยนี่มันก็ออกจากอารมณ์ได้กลับมาเป็นปกติอันนี้ได้อา่านรู้ก็เห็นวิธีการนะแก้อารมณ์ของหลวงพ่อท่านก็ใช้วิธีพยายามดึงจิตออกมาจากการเพ่งนะเพราะคนที่จะมีอาการแบบนี้ได้ส่วน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 มันยังง่ายกว่าคนที่เพ่งแล้วก็มาแก้เพื่อให้หายเพ่งบางทีบางคนก็ต้องเลิกปฏิบัติไปเลยหรือว่าแนะนำให้เลิกปฏิบัติเพราะว่าถ้าคืนปฏิบัติอยู่มันก็อดกลับมาเพ่งไม่ได้แล้วก็กลับมามีอาการกาเริบพอเจอคนที่เพ่งแบบนี้เนี่ยแล้วมีอาการเพี้ยนมีอาการวิปัสสนูหรือว่ามีนิมิตแปลกๆก็ต้องพยายามดึงจิตออกมาออกมาจดจอ่อหรือมา ใส่ใจกับสิ่งนอกตัวแทนเช่นพูดคุยนะเรื่องครอบครัวพูดคุยเรื่องลูกเรื่องหลานจนเพลินนะจนลืมตัวนะให้บางทีการลืมก็ดีเหมือนกันนะคือลืมเพ่งไงบางคนที่เพ่งจนเระทั่งติดนะก็ต้องชวนให้ลืมชวนคุยชวนพูดชวนทำจนลืมลืมเพ่ง บางท่านก็การหนักมาอย่างที่เรามาสักครู่นีต้องพาไปขุดนะขุดดินขุดหลุมทําซ่วมพอเหนื่อยแล้วนี่มันมันคลายไปเองอันนี้เป็นวิธีการแก้หลว ง, งพ่อนะที่ท่านเน้นเรื่องการนะดึงจิตออกมาจากการเพ่งก็คือค อ, ออกมารับรู้ข้างนอกแทนแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยปกติเนี่ย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 บังคับจิตให้มาเพง่งที่มือให้มาเพง่ง ท, ที่เท้าเพราะว่าไม่อยากให้จิตเนี่ยมันฟุง้งทำไมถึงไม่อให้จิตฟุง้งก็เพราะอยากให้จิตสงบให้ความอยากให้จิตสงบนี่เป็นอุปสรรคสําคัญทีเดียวนะของการปฏิบัติเพราะมันทําให้เกิดความยึดติดมันเป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งก่อนมาปฏิบัตินี่ก็เพลสปล่อยใจลอย นนี่ก็เป็นสุดตรงทางหนึ่งพอมาปฏิบัตินี่ก็รู้ว่าการปล่อยใจลอยส่งจิตออกนอกไม่ดีก็พยายามที่จะบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งไม่ให้ลอยก็เลยกลายเป็นเพลงไป ห, หรือบางทกีก็ไปดักเฝ้าดูความคิดดูว่ามันจะออกมาเมื่อไหรไ่ความคิดเนี่ยจะคิดเมื่อไหร่ก็ไปเบรกไปห้ามมันหรือว่าไปตะปบมัน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 พอเผลอเมื่มอไหร่นะเช่นพอจะนอนหรือเคลิบเนี่ยโอยความคิดมันทะลักทลายออกมาเลยบางคนเนี่ยช่วงที่ปฏิบัตินะดูเหมือว่าใจมันสงบนะไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่พอจะนอนนี่มันฟุ้งสารพัดเลยอันนี้มันสอว่าเป็นเพราะไปบังคับไปกดความคิดเอาไว้หรือไปพยายามตัดความคิดมันก็เลยมันก็เลยหลบนะ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 พอถ้าไม่วางความอยากแล้วนี่นะความอยากนี่แหละมันจะคอยคอยคอยกระตุ้นให้เราไปเพ่งคอยผักไสให้เราไปกดขม่มความคิดไปกดข่มอารมณ์แล้วมันก็จะมีอาการเพี้ยงตามมานะนะตัวอย่างที่ได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ mm hmm. เกิดจากความเพี้ยนเพี้ยนเพราะไปเพ่งมากไปหรือว่าบางทีไป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 เห็นนิมิตเห็นสีเห็นแสงก็เข้าไปเป็นหรือว่ามีความรู้ผุดขึ้นมามากมายก็เข้าไปเป็นผู้รู้นะไปเป็นผู้รู้รู้ต่พืทแตภือแต่ว่ามันเป็นพิปัสสนูโดยที่ไม่รู้ตัวก็หลายคนที่คิดว่าตัวเป็นผู้พิเศษเนี่ยบางท่านนี่สลวงพ่อท่านเราว่นี่คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้แจ้งหมดแล้วแล้วก็มาบอกให้หลวงพ่อกราบด้วยนะ ทีะเป็นรู้สึกหลวงพ่อต่อมาปฏิบัติใหม่ๆไปรู้สึกหลวงพ่อแต่ว่าปฏิบัติไปนะเกิดวิปัสสนูวิปัสสนูเป็นอุปกิเณ์ชนิดหนึ่งนะวิปัสนปสนูปกกิเลสนะเรียกเต็มเลยว่าวิปัสสนูปกกิเลสนะมันมีหลายแบบนะทั้งเห็นสีเห็นแสงทั้งเห็นตัวทั้งรู้สึกตัวเบาหรือว่ามันเหมือนกับมันมีญาณต่างๆมากมายไอ้ที่รู้นี่มันรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ไปหลงคิดว่าหลงเชื่อตัวเองพู้รู้ เกีบรรลุธรรมแล้วไปบอกไท ห, หลงพ่อเนี่ยกราบตัวเองซะให้แบบนี้มีเยอนนะลูกศิษย์มาบอกให้ครูบาจา์กราบเพราะว่าตัวเองเนี่ยรู้แจ้งแล้วเห็นว่าครูบาจางนี่โง่ไม่รู้มากเท่าตัวมันลืมตัวขนาดนี้เลยนะเพราะว่ า, าการการปฏิบัติด้วยการทําด้วยความอยากแล้วมันก็กลายเป็นการเพง่งพอเพ่งแล้วมันก็เพี้ยนนะเพราะจิตของเราเนี่มัน จะไปบังคับมันไม่ได้บังคับมันเหมือนกับวัยรุ่นนั่นนะวัยรุ่นเนี่ยไปบังคับเขาเขาก็ยิงอารวาสม้าป่านี่ไปบังคับมันก็ยิ่งพยศนะคนที่ควบคุมม้าหรือว่ารู้จักม้าป่านี่เขาจะรู้ว่าจะไปบังคับมันไม่ได้บังคับมาเมื่อไหร่มันปวดมันพยศทันทีใครขึ้นหลังมันมันก็สะบัดตกหมดอาชีพของเรามันมีแรงมันมีเรี่ยวแรงมันมีพลังยิ่งกว่านั้น เพรนั้นเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทํานะเวลานักปฏิบัตินะจะเริ่มปฏิบัติก็คือการวางวางความอยากลงซะมีความคิดอะไรมาก็ต้องความคิดว่าอยากจะได้โน่นได้นี่ก็ต้องวางลงแล้วไม่ช่วยทำไม่ช่วยทำให้การปฏิบัติของเรานี่อ่าคล่องแคล่วนะไม่ติดขัดเท่าไหร่แต่ในระหว่างทางก็ยังมีความคิดมันก็มีอารมณ์ความรู้สึกต่างๆโผล่มานะ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 นะความคิดนี่มันปรุงแต่งอารมณ์ให้เกิดขึ้นนะซึ่งมีทั้งอารมณ์ฝ่ายลบแล้วก็ฝ่ายบวกเชนะ่นคิดถึงแฟนนะจิตใจก็มีความอิ่มเอิบนะมีอาการฟูขึ้นมาคิดถึงคำพูดที่ครูบาอาจารย์ชมเราหรือว่าทำในสิ่งที่เราพอใจทำความพอใจกับเราก็ฟูขึ้นมา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 ที่อยากผักไสหรืออารมณ์บวกที่อยากจะครอบเคลียฝ่ายหาไม่ว่าจะผักไสหรือว่าฝ่หาเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นแล้วก็ถูกมันครอบนะสติเนี่ยเมื่อเมื่อเห็นนะมันช่วยทําให้วางได้ทําให้วางวางความคิดวางอารมณ์นั้นได้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 ก็คือพอเห็นความจริงนะของกายและใจเห็นความจริงของขันธ์ทาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นความเกิดดับเห็นความไม่จีรังของมันมันก็จะวางได้คราวนี้เนี่ยวางเพราะว่ารู้ว่ายึดไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดยึดติด ถ, ถือมันอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ย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 แต่ใหม่ๆเนี่ยเราปัญญาเรา ย, ยังไม่ยังไม่ยังไม่โตยังไม่ยังไม่เกิดถึงขั้นนั้นนะก็ใสยสติแล้วนะใส่สติสัต ส, ต, สติมาช่วยทําให้อ่าวางความคิดวางอารมณ์ได้เรืนี้รวมไปถึงเวทนาด้วยนะความความเจ็บความปวดความเมื่อยปกติถ้าไม่มีสตินะนะใจมันก็หลุดเข้าไปในความปวด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 เวลาเราโมโหแล้วเราเกิดสักตัวขึ้นมาเออมันหายไปเลยอันนี้เกิดขึ้นได้ในเช้าประจําวันแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะมันเป็นความฟลุคกก็ได้จนกระทั่งเรามาปฏิบัตินะสตินี่มาช่วยทําให้เราวางวางได้เวลาดูกายก็เห็นกายว่าเป็นกายนะเห็นว่ากายสักแต่ว่ามีอยู่อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่สาธยาเมื่อสักครู่เนี่ย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 ของการที่จะนำไปสู่ปัญญาที่จะเห็นความจริงของกายและใจที่มันลึกมากขึ้นแล้วก็ซึ่งจะช่วยทำให้มีการปล่อยวางมากขึ้นหลวงพ่อถึงท่านถึงบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมคือการปล่อยวางทางจิตบางคนไม่เข้าใจว่าปล่อยวางนี่หมายถึงไม่ต้องทําอะไรเลยนะเมื่อตอนบ่ายก็มีรายการทีีมาสัมภาษณนะ์ก็ถามว่าเนี่ย มีคนไปเข้าใจว่าเนี่ยปล่อยวางคือเลีกเล่นเข้าป่าหรือเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมงานการไม่ทําเลยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดปล่อยวางเนี่ยมันหมายถึงการปล่อยวางทางจิตเป็นการปล่อยวางที่ใจเรียกอย่างนึงคือเป็นการทําจิตปล่อยวางไม่ได้แปลปล่อยป่าแล้วเลยปล่อยวางแต่ยังทํางานทําการอยู่อันนี้มันมันทำได้ ทำงานแต่ทําด้วยใจปล่อยวางทําครัวแต่ทําด้วยใจปล่อยวางรักษาป่ารักษาด้วยใจปล่อยวางนี่ทําได้นะคือระหว่างที่ทํากิตก็ทําจิตไปด้วยนะสอนหนังสือก็สอนด้วยใจที่ปล่อยวางได้กนะ็คือใจอยู่กับปัจจุบันอดีตกับอนาคตก็วางลงอันเนี้ยมันทําด้วยใจที่ปล่อยวางได้นะแต่ถ้าไปเข้าใจว่าปล่อยวางคือไม่ทําอะไรเลยนะ ไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้ไม่ถูกต้องแปลว่าไม่ทำกิดไม่ทำกิดแล้วยังทำจิตผิดด้วยทำจิตผิดพลาดแต่ถ้าทำจิตถูกต้องเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกยังทำงานได้เหมือนเดิมนะหรือถ้าถึงเวลาที่จะไม่ทําก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะที่แผนที่หลวงพ่อท่านเขียนไว้ว่าเนี่ยการปฏิบัติเธอการปล่อยวางทางจิตเนี่ยมันให้ความหมายที่ชัดเจนกนะ็คือ เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของการทำจิตไม่ใช่เป็นเรื่องของการปล่อยวางงานการให้งานการนี้ถ้ามีก็ต้องทำแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนใจนี่ไม่ได้วิตกกังวลอะไรอยู่กับปัจจุบันล้วนๆ น, นะแล้วก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจถูกต้องเพราะเด้นนี้เนี่ยคาว่าปล่อยวางนี่เราใช้กันเกลอแล้วก็เข้าใจผิดพลาดมาก จนกระทั่งไปเข้าใจว่าคือการปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยนี่ก็คือไม่ทำงานไม่ทำการไม่รับผิดชอบงานการมันแสดงว่าไม่ได้ทำกิจส่วนการปล่อยวางเป็นเรื่องการทาจิตนะซึ่งมันก็ถ้าเราทำเป็นก็จะทำให้ไม่ว่าเราทาอะไรนะอยู่ที่ไหนใจเราก็เป็นสุขได้ทำงานใจก็ไม่ทุกข์ขับรถนะจิตใจก็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 หรือความคิดและต่อไปเนี่ยเมื่อใช้สติเป็นตาในดูดูกายและใจนะเห็นกายและใจรู้กายและใจมันก็จะเกิดปัญญาจกนกระทั่งทําให้เป็นเครื่องรื้อถอนความยึดติดถือมั่นทําให้เกิดการปล่อยวางอย่างแท้จริงอย่างที่อาจารย์พัฒนชัยได้พูดไว้หลวงพ่อท่านเปรียบเหมือนกับน้ำเจ้าพยานี้ เจ้าพญานี่มันก็มีมันก็เอาน้ําจากแม่น้ําสายเล็กๆสาย น, น้อยๆมาแต่เจ้าพญาไม่เคยเก็บเอาไว้เลยนะเจ้าพญาวก็ถ่ายเทลงทะเลหมดน้ํามากมายแค่ไหนก็ถ่ายเทลงทะเลหมดปล่อยวางก็คือค่ายแบบนั่นแหละคือมันปล่อยวางสู่ธรรมชาตินะั่นสู่ธรรมชาติไปนะไอ้ความอารมณ์ความคิดความสื่อต่างๆไม่มาเก็บไม่มาหมักหมมเอาไว้นะเอาละคํานี้ก็พึ่กับท่า น, นี้กราบฮะ